วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมพศสองพัหาร้อยสามสิบเก้าเป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุทบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัทธาต่อไปนี้เป็นการบรรยายพระสูตรพระสูตรวันนี้เป็นสูตรที่มีชื่อว่านิทานสูตร คำว่านิทานนั้นไม่ได้แปลว่าเรื่องโกหกหรือนิทานนิยายอย่างที่เอามาใช้ในทางภาษาไทยและนิทานก็ไม่ได้หมายถึงชาดกด้วยแต่นิทานตามศัพท์นั้นแปลว่าต้นเหตุพูดง่ายๆว่านิทานนั้นเป็นไวยพจน์ของคำว่าเหตุปัจัยอีกคาหนึ่งเหตุเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลฉันใดนิทาน ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลชั น, นั้นใช้แทนคำว่าเหตุได้แต่คำว่าเหตุรือนิทานที่ใช้ในสูตรนี้มีความหมายถึงข้อธรรมคือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทที่กล่าวว่าวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิ ญ, ญญาณเป็นต้นเป็นกระบวนการของเหตุกับผล นิทานจึงเป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปบาทคือข้อธรรมที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลของสภาวาธรรมที่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่กระสูตรนี้เกิดขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับที่เมืองกุรุครับที่กระสูตรได้กล่าวในเบื้องต้นว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในคมของหมู่ชนชาวเมืองกุรุอันมีชื่อว่ากัมมาตธรรมะแควนกุรุรัฐครั้งนั้นแล ท่านพระนนทได้เข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคทิ่งที่ประทับถาวายภิวาดพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่โคนส่วนข้างหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลแก่พระผู้มีพระภาคว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าไม่เคยมีมาพระเจ้าข้าคือปฏิจจสมุป บ, บาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งเพียงไรทั้งมีกระแสะความลึกซึ้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏเหมือนธรรมง่ายๆแก่ข้าพระองค์ นี่เป็นคำกราบทูลของท่านราอานนท์เราจะเห็นว่าพระสูตรนี้ซึ่งถือกันว่าเป็นสูตรลึกซึ่งแล้วเป็นสูตรยากสูตรหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงที่เมืองกุรุกรมมาสมมะธรรมนิคมเมืองเดียวกับที่เมื่อพวกเราไปอินเดียกันเมื่อคราวที่แล้วบางท่านได้ไปเยือนสถานที่นี้มาแล้วแต่สถานที่นี้ในปัจจุบันนี้ ไม่มีสภาพที่น่าแสดงธรรมน่าฟังธรรมเลยเพราะว่าเต็มไปด้วยหมูกี้มาเต็มหมดต้นหมากล่างไม้ก็ไม่มีสักต้นหนึ่งมีแต่ก้อนหินลานหินภูเขาหินโลนเดียนะแย่มากแล้วก็รอบๆ บ, บริเวณนั้นก็เต็มไปด้วยตึกกรามบ้านช่องอย่างอินเดียซึ่งเมื่อก่อนเมื่อคือเมื่อสอง พันกว่าปีนั้นไม่มีและที่นี้เป็นที่ที่นับถือกันว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเรื่องสําคัญสําคัญเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรก็แสดงที่นี่มหานิทานสูตรก็แสดงที่นี่แล้วก็สูตรสาคัญอื่นๆแสดงที่นี่เพราเหตุว่าคนที่นี่หรือชาวเมืองนี้มีภูมิปัญญาสูงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีมีปัญญาสูง แล้วก็สนใจที่จะฟังธรรมะในระดับสูงสูงแล้วเราก็พบในการต่อมาว่าคนที่นี่เป็นนักปฏิบัติธรรมกันทั้งนั้นทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นนักปฏิบัติธรรมกระทั่งว่าอาคนจะไปขอลูกสาวบ้านอื่นก็จะต้องดูธรรมะว่าปฏิบัติใกล้ๆว่าจะเดินสติปัฏฐานหมวดไหนอะไรเงี้ยนะ ได้ยานไหนแล้วจะถึงขั้นนั้นได้หรือเปล่าไม่รู้กระดูกันถึงขนาดนี้ถ้าไม่เอาธรรมะไม่เอาการปฏิบัติก็ไม่อยู่ในสายตาถือว่ามีความบกพร่องไม่ควรจะมาเป็นละไายในเรือนเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่นิวเดลีหรือออนเดลีออนเดลีใช่ไหมนิวเดลีหลายคนไปเห็นมาแล้วอ่า พระพุทธเจ้าประทับที่นี่พร้อมด้วยภิกษุ ส, สงฆ์หมู่ใหญ่และวันนี้พระอานนท์มาเฝ้าเพียงพระองค์เดียวผู้า่างวสูตรนี้เกิดขึ้นแบบสองต่อสองระหว่างพระพุทธเจ้ากับพุทธอุปทาคือท่านอานนท์ทําไมท่านอานนท์จึงมาแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าลึกซึ้งแต่พระอนนท์มากล่าวว่าง่ายอ่า ท่านพระอนุนมาเป้าพุทธเจ้าเวลานี้เป็นเวลาเย็นในสูตรนี้อาจจะไม่ได้บอกไว้เป็นเวลาเย็นเวลาเย็นที่ท่านอานุน์มาเป้าเนี่ยเป็นเวลาที่ท่านอนุน์ออกจากผลสมาบัติท่านขยายความไว้ชัดเจนอย่างนั้นผลสมาบัติก็หมายถึงเข้าโสดาปฏิผลสมาบัติคือว่าพระภิกษุรวมทั้งพระพุทธเจ้า ตอนเช้าเมื่อเสด็จออกไปบิณฑบาตไปทำกิจโปรดสัตว์ในระหว่างบิณฑบาตเนี่ยที่เรียกว่าโปรดสัตว์ไม่ได้หมายเอาการรับบาตรเป็นสาระแต่หมายเอาการแสดงทำหมายเอาการไปปรากฏบุคลิกที่น่านเลื่อมใสเป็นทัศนานุตรยะให้ประชุมชนได้เห็นเกิดคุณลัท ธ, ธรริจิตอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นการไปโปรดสัตว์เมื่อกลับมาถึงวัด ฉันพัตนาหันเสร็จแล้วสมัยก่อนเนี่ยพระจะฉันเวลาประมาณสักสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วก็นิยมฉันมือเดียวนะฮะสมัยก่อนฉันอาหารมือเดียว <c oughs> บางท่านก็บินธบาต <c oughs> แล้วก็หาที่ไปหลบฉันที่ใดที่หนึ่งโดยมากจะทําทอย่างนั้นบางท่านก็อาจจะมากลับมาฉันในวัดสากว่าที่โคจรบินธบาตไม่ไกลวัดมากนะหรือไม่ไกลที่พอมนักมากนะ ก็มาฉันที่วัดไม่ได้มารวมฉันกันแบบสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันเนี่ยวัดเป็นหลักเป็นแหล่งที่โคจอเป็นบาดก็ก็อยู่ไม่ไกลจ า, ากวัดมากนะแล้วก็ที่ที่จะไปหลบฉันอย่างพระธุดงค์ธรรมเนี่ยก็ไม่นิยมทํากันสําหรับพระที่เป็นฝ่ายคาำวาสีนี่เมื่อฉันเสร็จแล้วตกบ่ายพระสมัยก่อนนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นอนนะท่านจะเข้าไปสู่ที่หลีกเล่นท่านไปทำอะไรในที่หลีกเล่นผู้ใดที่ยังไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิก็หลบไปเพื่อทำฌานทำสมาธิให้เกิดพูดให้ชัดๆว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมของพระในสมัยนั้นแล้วจะเงียบเลยในวัดี้เงียบตอนนั้น ใครจะไปไปหาเนี่ยถ้าไม่รู้ที่เนี่ยก็ไม่เจอตัวถ้ารู้ที่ก็มักจะไปคอยซุ่มดักอย่างเช่นเมื่อพระผู้มีพระภาคพอจะออกจากสมาบัติก็จะมาเสด็จจงกรมแถวบริเวณชายคาวิหารตามเงาวิหารคนก็จะไปเฝ้าไปทูลถามปัญหาอะไรแต่ไรตอนนั้นนี้พูดถึง้าบ้าน แต่ถ้าหากว่าเป็นพระอย่างพระอนนท์เนี่ยรู้เลยว่าพุทธเจ้าวันนี้ทรงหลีกเล้นอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นไหนพระอนนท์เป็นหน้าที่ที่พระอนนท์ต้องรู้เพราะฉะนั้นบางทีคนไม่รู้ว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็มาถามท่านอนนท์แต่บางทีก็ไม่รู้ว่าท่านอนนท์อยู่ไหนเหมือนกันก็เลยไม่รู้จะไปถามใครแต่ท่านอนนท์เองหรือว่าพระโมคคัลลานาะพระตาลีบุตรพระอระหันต์ที่ท่านมีตาทิพย์เนี่ยท่านจะรู้กันและกัน ว่าใครอยู่ที่ไหนก็จะไปไปถึงที่ไปได้ถูกตัวแล้วก็โดยมากท่านจะสื่อทางจิตกันก่อนแล้วก็สมควรไปก็ไปไม่สมควรไปก็ไม่ไปก็คุยกันทางจิตเรื่องในปฏิบอดเล่ายืนยันเป็นสูตรออกมาว่าคุยกันทางจิตอะไรแต่ใเนี่ยบ่อยๆเป็นธรรมดาของสังคมอรหันต์สมัยนั้นตอนนี้ท่านอนน์เนี่ยเมื่อท่านเข้าผลสมาบัติผลสมาบัติคืออะไร ผลสมาบัตินั้นหมายถึงการเทียบเหมือนกับการเข้าฌานสมาบัติฌานสมาบัติเนี่ยหมายถึงการเข้าฌานแบบต่อเนื่องต้องการจะเข้าหนึ่งวันสองวันสามวันหรือเจ็ดวันก็แล้วแต่ความสามารถจะเข้าได้นานแค่ไหนแล้วแต่ใจปรารถนาจะเข้าได้นานแค่ไหนถ้าหากว่ามีความสามารถจะเข้าได้นานใจปรารถนาจะเข้าน้อยได้ ถ้ามีความสามารถจะเข้าได้นานใจปรารถนาจะเข้านานก็ได้ถ้ามีความมีความสามารถจะเข้าน้อยความปรารถนาจะเข้านานเกินความสามารถไม่ได้ต้องฝึกทีนี้พระโสดาบันอย่างท่านอนนเนี่ยท่านได้ฌานด้วยได้สมาธิด้วยท่านก็เอาลักษณะของสมาธิของฌานเนี่ย ไปเข้าผลสมาบัติผลสมาบัตินะ่ะคือโสดาปฏิผลเป็นผลระยานที่ผู้บรรลุโสดาปฏิมักแล้วต่อมาได้โสดาปฏิผลมีนิพานเป็นอารมณ์ท่านก็มาเข้าผลระยานให้จับนิพานเป็นอารมณ์อย่างต่อเนื่องยาวนานเรียกว่าการเข้าผลสมาบัติตอนเข้าผลสมาบัติไม่มีอารมณ์อะไรอื่นนอกจากนิพานสภาพของผู้เข้านะ่ะ เมื่อเมอคราวที่แ้วมีคนถามมันในมามออกมาม้างอยู่ลังว่าเข้าผลสมาบัตินี่ยเข้ายัางไงเข้าแล้วเป็นอย่างไรสงสัยวันนี้เห็นมีพูดกันว่าเข้าผลสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติวิธีพิสูจน์เนี่ยง่ายนิดเดียวพิสูจน์ได้ไงรู้ไะคนที่เข้าฌานสมาบัติก็ดีเข้าผลสมาบัติก็ดีเอาสองอย่างนี่นะฮะ ในระหว่างเข้าเนื้อตัวไม่ไหวต่งมีคนไปผลักก็ไม่เคลื่อนเอาไฟไปจุดเผาลนเอาน้ำมันเบนซินไปลาดก็จุดไม่ติดพิสูจน์ได้ยากไหมไม่ยากกล้าพิสูจน์ไหมไม่กล้าเหมือนกันไหม้ขึ้นว่ายุ่งเราเราก็ไม่กล้าพิสูจน์ แต่ว่าที่พิสูจน์ได้คือลองไปจับตัวขย่าวจับแขนใน่ขยื่นถ้าลองขยื่นเนี่ยแสดงว่าแม้แต่ชานก็ยังไม่ได้อย่าว่าแต่ผลสมาบัติถ้าเป็นผลสมาบัติแล้วต้องไม่ขยื่นและถ้าเข้านิโรธสมาบัติด้วยแล้วก็ลมหายใจไม่มีใจไม่เต้นหัวใจไม่เต้นเลือดในหยุดการสูบฉีดทุกอย่างนิ่งหมด จิตดับความรู้สึกเมื่คิดไม่มีเรียกว่านิโรธสมาบัติแปลว่าการเข้าสมาบัติดับจิตใครจะไปปลุกให้ตื่นโดยประการใดๆไม่ได้ใครจะไปทําให้ตายในระหว่างนั้นโดยประการใดๆก็ไม่ได้และแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ใครก็ทําอันตรายไม่ได้เช่นบาทท่านวางไว้ตรงใดเนี่ย ทำมันตายไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้ทุบก็ไม่แตกเผาก็ไม่ได้ทำไมถึงทาไม่ได้เพราะว่าก่อนที่ท่านจะเข้าเนี่ยท่านต้องอธิษฐานคุ้มครองไว้ก่อนนะเหมือนอย่างเราเอาเคล็ดมาใช้คุ้มครองอะไรต่ออะกันเนี่ยอธิษฐานคุ้มครองไม่ให้ของเหล่านี้เกิดโจรภัยเกิดอาคีภัยเกิดรุทธกภัยปลอดภัยหมดไม่เป็นไรถึง คนที่ไม่เข้าใจว่าเข้านิโรธเข้าสมาบัติอย่างนี้เป็นอย่างไรสมัยก่อนเนี่ยบางทีก็นึกว่าพระท่านคงมานั่งตายไม่มีคนจาปนกิตก็เลยไปเอาต้นไม้ใบายญาเอาฟืนมาสมุมสมุดเผาเลยเอาทั้งเป็นเช่นท่านสันตีวาเป็นตน้นหรือท่านขาท่านขานุก ที่แปลว่าพระหัวตอนึกว่านึกเคลน น, น, นั่งแน่งนิ่งจนกระทั่งนึกว่าเป็นหัวตอนะ่ะเอาของไปสูบ ๆ, ๆๆท่านก็ไม่รับน้ำหนักของไหวเลยเรียกท่านขานุโจรที่ไปปล้นของมาเห็นมามึดๆเนี่ยพระนั่งเข้าสมาบัติพระตัวหัวโด่นึกว่าวตอก็เอาของมาวางซัดใส่ซัดใส่ซัดใส่พอสว่างขึ้นมาก็ลือของเจอพระนั่ง เลยจัดการเอาไฟเผาเสียเลยที่เจตนาเผาให้ตายนะรู้ว่าเป็นพระกลัวจะรู้ความลับพอเผาเสร็จแล้วพรากฏว่าพระไม่ไม่เลยนับถือพระขอบวชกลายเป็นลูกศิษย์พระไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์หัวต่อแล้วก็อย่างไรท่านสัญชีวะนั่นพอตอนเช้าเข้าไปบินธบาทคนเจ้าบ้านที่ช่วยกันเผาเห็นพระที่ เขาทิ้งมาวานมาเดินไปเตีบาตแล้วก็ผีหลอกเอ่อเรื่องอย่างเนี้เป็นไปได้เหมือนพวกโยคียนะที่เขาเข้าไอ้อะไรไอยู่ในในน้ําก็อยู่ได้อยู่ในดินลึกๆ ก, ก็อยู่ได้ไม่เป็นไรสัมาบัติแก่กล้าแม้เรานึกดูว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอย่างเช่นตอนที่อยู่กรรมมาธรรมะ เราวาดภาพไปเห็นมาแล้วนึกว่าตอนนั้นต้นหมากลากไม้เนินหินโกดิพระเนี่ยท่านคงจะจองเคยเป็นที่ๆนะแล้วพอตกบ่ายนี่ถ้าเราถ้าสมมุติเราไปเที่ยวอินเดียกันอย่างสมัยนี้แล้วทันสมัยนั้นคงไปเห็นพระนั่งตัวแข็งแข็งแข็งไปอยู่แค่ยน่นะไม่ร่วนไหนหินและไหนพระแข็งหมดแข็งเหมือนกันเอคงคงดูดีอแต่ว่าบางทีพระเนี่ยท่านก็ไม่ไม่มานั่งประเ จ, ะเจี๊ยอ ท่นก็พยายามจะหลบลี้หลบหลีกไม่ให้คนไปเห็นท่านทีนี้เมื่อท่านออกจากสมาบัติออกจากผลสมาบัติเนี่ยมียานอันหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อจากสมาบัติเรียกว่าปัจเจเวกขณะยานปัจเจเวกเนี่ยแปลสมาบัติแปลว่าความเข้าถึงพร้อมแปลตามปัญญาแต่ว่าเอาความง่ายๆหมายถึงการเข้า สู่ความแนบแน่นเอางี้แล้วกันนะเข้าสู่ความแนบแน่นทางกิตเรียกว่าสมาบัติ เ, เมื่อท่านออกเนี่ยการเข้าสมาบัติเนี่ยถ้าคนป่วยเข้าสมาบัติออกมาหายคนป่วดเข้าสมาบัติออกมาหายคนต้องการจะคิดพิจารณาอะไรในเรื่องลึกๆ อย่างพระานนท์เนี่ยท่านก็มีเรื่องเลือดที่ท่านอยากจะพินิจพเคราะห์ปัจเจกเข้าสมาบัตออกมาแล้วพิจารณาใสสว่างกระจ่างเมื่อท่านอานนท์ท่านออกมาท่านก็ปัจเจเวถึงปฏิจจะสมุปบาทอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยเมื่อท่านออกมาพิจารณาหลังจากออกจากผลสมาบัติแล้วท่านก็มาดำี่ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสบ่อยๆว่าปติจจะเป็นของลึกซึ้ง แต่นี่เราผู้กำลังพิจารณาอยู่ไม่เห็นเป็นของลึกซึ้งเย็นนั้นทำไมเป็นของปรากฏตื้นและง่ายแก่เราจึงเกิดความรู้สึกว่าเราผู้มีภาพปรลัดอย่างแต่ทำไมเรารู้สึกอย่างก็จึงสงสัยว่าลึกจริงหรือเปล่าในตำนองนี้นะะดังนั้นเมื่อออกจากการพิจารณาปฏิจจาแล้ว จึงมาตราบทูลถามพระพุทธเจ้าตรงนี้ถ้าหากว่าใครเป็นนักปฏิบัติเนี่ยผมชวนย้อนให้คิดสักนิดหนึ่งนะพบทวนเทียบกับกรณีของท่าน อ, า น, อนุนหรือใครแต่ใ ค, ใครที่พิจารณาทำเวลาท่านจะคิดอะไรสักเรื่องพิจารณาสักเรื่องเมื่อท่านเข้าสงบจิตให้ดีแล้วพอถอยออกมาและตั้งใจว่าจะใช้ความคิดขนาดนี้แล้วก็คิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ประสงค์จะคิด จะรู้สึกได้เลยว่าความคิดเที่มันปลูกโลงจริงๆเวลาเราจะใช้ความคิดเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ทําสมาธิก่อนคิดมันคิดไม่ได้ดียแต่พอเข้าก่อนแล้วออกมันจะคิดปลุกโลงมากแต่ตอนเข้าก็คือเข้านะตอนจะคิดก็คือเมื่อออกจากสมาธิแล้วคิดก็จะปลงแค่ไหนก็แล้วแต่ระดับธรรมของคนแต่ท่านอนนลเนี่ย ข้อมูลในทางการฟังท่านก็มีมากตัวท่านเองก็มีอุาิการวาสนาที่ได้สั่งสมไว้มามาอย่างดีและตัวท่านเองนั้นเป็นผู้ถึงโสดาปฏิผลเป็นอริยคุณที่ทันดีที่ทันได้ถึงจะไม่ใช่อหรหันก็มาประกอบกันทำให้ปฏิจจานั้นปรากฏ ง่ายๆแกท่านที่เรียกว่าเห็นได้โดยง่ายเห็นได้โดยไม่ยากไม่ลําบากเลยเป็นปัญหาว่าธรรมะนั้นลึกแต่เรามีภูมิบรรยาเห็นของลึกได้สะดวกเลยกลายเป็นเหมือนของตื้นหรือว่าธรรมะนั้นเอื่นเราทึงเห็นได้โดยง่ายคำตอบ ที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรเนี่ยท่านอนนท์ท่านก็นึกถึงพระศาสดาจึงได้มาเฝ้าแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยข้อความดังกล่าวพระผู้มีพระภาคตอบว่าดูก่อนอนนท์เธออยากกล่าวอย่างนี้เธออยากกล่าวอย่างนี้ปฏิจจานี้เป็นธรรมลึกซึ้งทั้งมีกระแสะความลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่ตรสรู้ไม่แทงตลอดธรรมนี้มูสัต จึงเป็นเหมือนเส้นได้ที่ยุ่งเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหยาปลองย่อมไม่ผ่านพน้นอบายทุ ก, กติวินิบาตสงสารนี่ผมก็ย้อนกลับมาว่าที่พระผู้มีพระภาพตรัสห้ามพระอานนท์ว่าอยากปฏิจจานไม่เป็นของลึกซึ้ง ท่านปฏิเสธอะไรในพระอานุป์ปฏิเสธว่าท่านพระอนุนเข้าใจผิดหรือปฏิเสธว่าพระอนุนที่เห็นว่าเป็นของตื่นนะเป็นเป็นความคิดเอาเองหรือหรืออย่างไรอธิบายว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าพระอานุ์เป็นคนตื่นแต่ กำลังยกย่องพระนอนด้วยแล้วก็แสดงยืนยันว่าปฏิจจ์เป็นของลึกด้วยคือปกติของเราเทียบเหมือนกับหลายหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยทาไมถึงเคี้ยวพริกขี้หนูทีแล้วตั้งสี่ห้าเม็ดได้พริกขี้หนูนั้นไม่เผ็ดหรือว่าลิ้นของคนเคี้ยวนั้นด้านหรือคนเคี้ยวนี่ยมีฤทธิ์ดับพิษของความเผ็ดจากพริก เห็นเี้ยวหน้าตาเฉยน้ำหมูน้ำตาไม่ไหลผมเคยเห็นบางคนเนี่เป็นคนจีนได้ซ้ำนะพูดแล้วก็แหมไม่น่าเชื่อเวลาจะเปิลข้าวแต่ละคําเนี่ยเอาพริกขี้หนูนี่มาเรียงสี่ห้าเม็ดแล้วเปิลเข้าปากผมไม่รู้ว่ามือหนึ่งกินพริกไปกี่เม็ดเวลาซื้อพริกแต่ละครั้งเนี่ยซื้อซื้อเป็นห่อผ อ, อะแต่ว่าต่อมากินไม่ได้ กลายเป็นคนแพ้เผ็ดไปในที่สุดนะเออมันเปลี่ยนได้เหมือนกันในพวกเราก็มีอยู่คนแต่ไม่ถึงขนาดนี้แต่สามารถที่จะเคี้ยวพริกกินหนูด่าตาใช้แล้วก็ไปเที่ยวหลอกเจ้าบ้านก็ไม่เห็นเผ็ดเนี่พริกก็ไม่เผ็ดก็รู้นึกเคี้ยวบ้างอะแสบปากแสบตาไปหมดเลยเออไม่รู้ว่าปากอย่างนี้ทํามาด้วยอะไรนะถึงไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเผ็ดเพราะฉะนั้นไอ้พริกเนี่ย เผ็ดก็คือเผ็ดแต่ความรู้สึกความทนต่อความเผ็ดนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งทัา น, นัึงเปรียบว่าเหมือนของหนักเนี่ยของหนักก็คือของหนักมันมีค่าความหนักอยู่ในตัวมันเองแต่คนที่เขาแข็งแรงเขายกของหนักได้นั่นเป็นความสามารถของเขา นั้นนักมวยเนี่ยเวลาเขาจะคุยถึงว่าให้เพิ่มค่าความเก่งของตัวเองเนี่ยเขาจะต้องสร้างสถานการณ์บอกคนเนียเก่งมากมีสิสติอะไรที่ความจริงหมูให้คนมีความสึกเขาเก่งมากพชะะนะได้หรือสึกว่าเขาได้รับความยอมรับสูงแต่ถ้าไปบอกเขาไม่เก่งไม่เก่งแล้วชนะได้คนก็อาจจะนึกว่าห ม, มูนั้นตรงนี้ พระพุทธเจ้ากำลังบอกพระอนนท์ว่าหนึ่งที่ท่านเห็นปฏิจจะเป็นของง่ายเนี่ยเป็นปัญญาของเธอเป็นความสามารถของเธอส่วนปฏิจจะนั้นยังคงความลึกอยู่นั่นเองไม่ได้ตื้นไปตามภูมิปัญญาของท่านอนนท์ที่มีปัญญาลึกซึ้งคือปัญญาลึก สิ่งลึกก็กลายเป็นของตื้นอันนี้ก็เป็นตัวแปรเรานึกถึงตอนที่พระเจ้าตัดสารู้ใหม่ๆม่งพิจารณาว่าจะโปรดใครดีลรงนึกออกนะโบสีเหลาแล้วก็ทรงปลาลบว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกิเลสหนาบรรยายายมธรรมะเป็นของ ลึกซึ้งเป็นของละเอียดตัดสรูต้ตามได้โดยยากที่ท่านปลาลบอย่างเนีย้ยท่านเอาตัวท่านมาเป็นที่ตั้งหรือเอาความรู้สึกคนอื่นเป็นที่ตั้งความรู้สึกของสัตว์ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งเอาความรู้สึกของสัตว์ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งไม่ได้เอาความรู้สึกของพระองค์เองเป็นที่ตั้งถ้าหากว่าคนในโลกนี้เป็นลูกพุทธเจ้ากันหมดพร้อมๆกับพุทธเจ้า ธรรมะก็ไม่ต้องเป็นของละเอียดไม่ต้องเป็นของลึกใช่ไหมเองมีตาหยาบไม่สามารถจะเห็นสิ่งละเอียดได้พวกเทวดามีตาทิพย์เห็นสิ่งละเอียดและเห็นสิ่งไกลๆได้อย่างเราเองเนี่ยเราเป็นคนใส่แว่นเนี่ยขนาดแล้ใส่แว่นในบางทีมองมองไอ้รถมาไกลๆเนี้ยมองไม่เห็นตัวเลขอนะแต่บางคนนี่ยทำไมเขาไม่ได้ใส่แว่นก็มองเห็น ผมก็ได้ความรู้จากเซฟี่ก็หลายเรื่อง ม, มีมีอยู่คันหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ต้องสายแว่นอายุกคเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วเขาก็บอกเขาเพิ่งมารู้จากหมอว่าไอ้ผักบุงเนี่ยมันบำรุงสายตานี่หมอที่เขาไปหาไม่ไม่รู้หมอแบบว่าไงนี้ก็เขาเนี่ยเขาเป็นคนชอบกินผักบุ้งมาตั้งแต่เด็กแล้วกินผักบุ้งทุกมือ้อ กินเผาบุ้งจิ้มน้ำปลาก็อร่อยเป็นพวกเต่ากับชาติมาเกิดเลยทําให้เขาเป็นคนตาดีขับรถมือมือมืเมื อ, ม อ, มอถึงเขามองเห็นนี่ใครอยากตาดีก็าหัด ก, กินกบผาบุงเอาไว้แต่กินแล้วตาไม่ดีก็เป็นเต่าไปเลยวทีนี้น <c oughs> ไอ้เรื่องสายตาคนกับไอ้ความไกลของภาพนั่นก็เป็นตัวแปรอันหนึ่งที่ ทำให้สิ่งเหล่านี้มันออกมาแตกต่างกันไอความสามารถทางจมูกเหมือนกันบางคนเนี่ยเขาเขามีพรสวรรค์ทางจมูกนะฮะนี่ผมก็จะเล่าบังเอิญมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของตัวผมกับพอดีคืออย่างคนเนี่ยเขาเป็นคนจมูกไวมากกระทั่งว่าไอ้กลิ่นตัวคนเนี่ยเขาได้กลิ่นเลยนะ ดยเฉพอเวลาเขาไปนั่งกรรมฐานเนี่ย ก, กลิ่นเหม็นหึงไงเขารู้เลยทีนี้ที่บอกว่ามันมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผมก็ยังชั่วหน่อยก็คือว่ามีวันหนึ่งเขาถามผมว่าเมื่อเช้าอาบน้ำหรือเปล่าถามอยู่นั่นแหละไอ้เราก็ไม่รู้เขาจะถามทำไมเขาคง ผมไม่รู้แล้วก็พอบเขาพูดไปพูดมาตอนหลังบอพวกนี้ก็าโทษที่ถามไมยใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาเห็นเพราะมันต้องรีบไปทุละแล้วจะต้องนัดแน่โทรม า, าเออเขาพวดพลาดมาเขาบอกลืมเอาโทรศัพท์มาเรากำลังนุ่งกระม้าอยู่เว้ยน้ํายังไม่ได้อาบเราก็กลัวจะผิดเวลาก็เลยรีบใส่เสื้อเสื้อก็เป็นเสื้อใส่ค้างคืนนะใส่มาเมื่อวานมัน ไ, ไปเอาที่ร้านซักวันก็ไม่ได้แปลงครับ เอาไอ้ไอ้ยาสีฟันที่ค okay. ุณ <Middle> วิเชียนให้ไปลัวตัวบวนแล้วต้องรีบไปไม่อยากให้ปิดเวลาเราพยายามสงบปากส้งบพันเขาบอกว่าีงเขาบอกว่าบอกนี่จริงๆนวเนี่ยเป็นตัวอาจารย์เนี่ยเหมือนดอกบัวเขาว่างั้นแม่เนี่ยคนมีพรสวรรค์ทางจมูกบูดบอกว่าได้สังเกตมานานแล้ว ก็ถามมาใช้สบู่อะไรถามมาใช้สบู่อะไรแหมน่าจะใช้สบู่ดอกบบกุ้ยทีนี้ไอ้วันนี้ไม่ไม่ได้อาบน้ําอ่ะบอกกลิ่นนั้นยังมียังได้กลิ่นดอกบวัวแหมเราเลยชื่นใจขึ้นเป็นกองไม่รู้ว่าทําไมอาบสักสามวันจะเป็นยังไงอ่า ใครถ้าใครอยากเก็พิสูจน์ก็เดี๋ยวจะไม่ให้ดมฟอดละสิบบาทก็คือพูดถึงว่าคนที่เขาเขามีความสามารถทางจมูกเนี่ยนานๆแล้วก็เจอดีบางคนก็ทางหูหูนี่ไวมากไอ้ผมเนี่ยหูไม่ค่อยไวไม่ไวเหมือนกาเวลาได้ยินเสียงอะไรไม่ค่อยไวบางคนเนี่ยไวเนี่ยพวกเรามีคนอะไรนิดนึงก็ไวขนาดคนเดินเนี่ยผ้าเสียดสีกยังรู้เลยหูไวมาก ไอ้อย่างเรานี่ไปไหวตอนนี้ไปปลูกจิตนะถ้าธรรมดาไม่ไหวแต่บางคนนี่กลิ่นไวมากเดินผ่านคนเนี่ยรู้เลย <c oughs> มีคนมาคุยกับผมคนหนึ่งบอกว่าอคนเนี่ยเวลาเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกเลยเขารู้เลยคนเนี่ยหน้าอย่างหลังอย่างรู้ได้ไงรู้ไหมกลิ่น กลิ่นมันบอกเลยอกลิ่นอย่างนี้คนคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างดูข้างนอกเนี่ยคนนับถือหน้าหรือตาแต่ว่าพฤติกรรมเบื้องหลังความรู้สึกนึกคิดเนี่ยสกปรกมากเขารู้เลยเลยผมบอกว่าอย่ามาเข้าใกล้ผมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดมกลิ่นแล้วรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเราเขาเ ก, ก็นานๆเจอเดีอ่ะไม่งั้นหลวงพ่อวันนมำวันท่านไปงานศพนั้นศพอยู่ในโรงที่นี่ไม่ไดกลิ่นเล ไอ้คนนี้มีทาบุญมาน้อยมามากดมกลิ่นสอบรู้มัคุดจิตมาดีต่เราไม่ไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้ <c oughs> ก็เป็นอันว่าตรงนี้เนี่ยธรรมะก็ยังเป็นของลึกคนมีญาณลึกเห็นของลึกนั้นง่ายแต่ว่า อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้เลยว่าตัวท่านเองเมื่อครั้งเป็นปุตรชนสมุติตัวเองก็เป็นปุตรชนเนี่ยเหมือนว่าคนที่มีความรู้มากแล้วจะไปสอนคนที่มีความรู้น้อยเนี่ยเหมือนว่าจะผู้ใหญ่จะไปสอนเด็กอนุบาลเนี่ยต้องทําความรู้สึกแทนเด็กพูดภาษาเด็กพูดในเนื้อหาอย่างเด็กๆใช่ไหมฮะเราจะไปช่วยดูแลคนเป็นโรคประสาทเราต้องทําความรู้สึก เหมือนย่างคนในโลกภาะสา์จะไ่เอาความรู้สึกเราออกหน้าไม่ได้แล้วค่อยๆดึงความคิดเขากลับมาเลื่อนขึ้นมาเราไปเห็นคนปัญญาอ่อนเนี่ยเราก็รู้ว่าเรื่องนี้มันลึกสำหรับเขาทีนี้คนที่เป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยนเนี่ยเวลาท่านเข้าใจธรรมเนี่ยท่านเข้าใจคนด้วยเข้าใจว่าคนเข้าใจไม่ได้เพราะอะไรลึกเพราะอะไรไม่เห็นเป็นของง่ายเอาถาเทียบง่ายๆอย่างนี้ว่าคน ที่สมมุติเราเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวเองเคยผ่านมาจากคนไม่เคยเป็นรู้ว่าคือไอ้เวลาไปดูคนเป็นเขาก็ททำเขาก็เล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันรู้ง่ายๆแต่เวลาเขาจะมาสอนคนที่ไม่เป็นเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้ที่เขารู้อยู่เดี๋ยวนี้จะสอนเพื่เดียวสักยี่บ้าเปอร์เซ็นไม่ได้ต้องลืมต้องหลงต้องงงต้องงวย คือรั่คอมพิวเตอร์เป็นของลึกบนฐานความคิดของเขาและคนเป็นก็ไม่ได้แปลว่าความเป็นของคนไปทําให้คอมพิวเตอร์นนั้เป็นของตื้นขึ้นมาสําหรับคนทุกคนการที่พุทธเจ้าแสดงธรรมในลักษณะที่เรียกว่าทําให้ตื้นเคยได้ยินไหการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยทําให้ตื้นเปิดเผยชี้แจง และมีสำนวนว่าทำให้ตื่นไม่ได้แปลว่าไปทำของลึกให้ตื่นแต่การทำให้ตื่นในความหมายนี้ความหมายของการแสดงธรรมเนี่ยหมายถึงอธิบายให้คนเข้าใจได้ง่ายค้อวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่และเมื่อคนเข้าใจแล้วปฏิบัติจนอย่างเห็นธรรมนั้นแล้วธรรมะนั้นก็ปรากฏชัดเจนแต่ธรรมะนั้นไม่ได้ตื่นเลย ตัวเองลึกต่าหากปัญญาที่เข้าถึงความลึกซึ้งของธรรมเลยต้งเรียกว่าคำภีระยานคำภีระนี่แปลว่าลึกซึ้งยานก็คือปัญญาคำภีระยานยานที่อย่างลงลึกในถ้าหากว่าธรรมะไม่ลึกยานก็ลึกไม่ได้จริงไม่จริงสมมุติว่าเราไปอ่านธรรมะของลัทธิใดเรียกลัทธิหนึ่งมันตื้นต้นเนี่ยไอความอย่างลึก ของเราเกิดไม่ได้ครับเราเราไปฟังพระที่ทันเทศลึกๆให้ความคิดจินตนาการลงลึกเนี่ยเรารู้สึกว่าความคิดเราอย่างลงลึกแต่ถ้าวัฒนเทศตื่นๆเราก็ความคิดเราก็ดันดันตื่นๆไปทีนี้ เ, ออเทศลึกบางที่เราลงลึกไม่ได้น่ะเราก็โทษพระไม่ได้ก็เพราะว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมดี่จะลงลึกนพระพุทธเจ้าจึงได้ส่ง ัอย่างนี้และข้อความที่ว่าเพราะไม่รู้ไม่ตรัสรู้ไม่แทงตลอดเนี่ยข้อนี้ท่านหมายถึงความเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทด้วยอำนาจของการตรัสรู้ตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทและได้ทรงตรัสว่าเพราะหมูสัตว์ไม่รู้เนี่ยนะฮะผลของความไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทโดยโดยนัยยะของการปฏิบัติไม่ใช่โดยทฤษฎีอย่างที่เรากาลังพูดนี้ หมูสัตว์นั้นจึงเป็นเหมือนเส้นได้ที่ยุ่งเป็นเหมือนกลุ่มได้ที่เป็นปมเป็นเหมือนหญ้ามูกระต่ายเอาความว่าของยุ่งยุ่งสิ่งยุ่งยุ่งสัตว์ที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปาทในยุ่งตรงนี้ท่านเอาอะไรยุ่งผมยุ่งหนวดยุ่งหรือเป็นคนขี้ยุ่งจุกจิกจุจีหรือยุ่งเหยิงหมายถึงสังคมยุ่งเหยิง พฤติกรรมของสัตว์นั้นยุ่งเหยิงข้อนี้ท่านหมายถึงสังคมและพฤติกรรมของสัตว์ยุ่งเหยิงยุ่งอยู่ด้วยกิเลสไอความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราเองนะถ้าอยู่อย่างนี้เรามองไม่ออกครับเราไม่รู้สึกว่ามันยุ่งตรงไหนแต่ถ้าเมื่อใดคนเข้าถึงธรรมพอควรเนี่ยครับเราจะเห็นว่ายุ่งเลยครั เอาแค่ว่าเรามาเรียนเอย่างธรรมอย่างธรรมดาเราเนี่ยนะพอมองกลับไปสู่สังคมวิงียุ่งเหมือนกับว่าเอาเวลาเราไปเข้ากรรมาฐานแล้วออกมาหรือคิดกลับมาถึงสังคมมันยุ่งจริงเหมือนกับเราออกจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดสักอาทิตย์เนี่ยลองกลับเข้ามาสิหรือนึกถึงกรุงเทพสิรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เวลานั่งรถพอเมื่อก่อนเนี่ยนะพอมาถึงลงังสิตเนี่ยมองไปข้างบนเห็นควันเป็นหมอกเต็มหมด มองไปตามถนนมันยุ่งจริงๆครับไม่เหมือนต่างจังหวัดเนี่ยเทียบให้ฟังอย่างนี้ทัานเราเองเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองว่าเราเป็นพวกยุ่งกิเลสเนี่ยทาให้ยุ่งความเรียบร้อยความเป็นระเบียบร้อยต่างๆความสมดุลต่างๆไม่มีและสังคมเนี่ยก็ยุ่งกันอยู่อย่างนี้การเมืองยุ่งเพราะอะไรหรือไม่ยุ่งยุ่ง มันยุ่งไปทุก ไ, ไปหมดนะฮะก็ท่านบอกว่าเพราะไม่รู้ปฏิจจารนี่ไอ้ฟังตรงนี้น้ำฟังอาจจะฟังดูไม่เห็นมันเกี่ยวอะไรกันการที่จะคลายยุ่งในความคิดเรามันหมายว่าจะต้องมาใช้ระบบการจัดการแผนนั้นแผนนี้อําลาทฤษฎีเล่มนั้นเล่มนี้ที่แปลมาจากต่างประเทศมาทำไม่ให้มันยุ่งเราเนื้อก็อย่างนั้น แต่สมุติฐานของความยุ่งเนี่ยไม่มีอะไรร้ายกาศเท่ากับความไม่รู้และความไม่รู้อะไรๆก็ไม่ร้ายกาศเท่ากับความไม่รู้ปฏิจจะยิ่งพูดยิ่งไม่รู้ตรงนี้แต่จําเป็นต้องพูดแล้วมันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าย่งไรเราเข้าใจตรงนี้ได้แน่ใจตรงนี้ได้ไดยังไง พระพุทธเจ้ากำลังพูดถึงอารมณ์ของการปฏิบัติคนในเวลามันเข้าใจโหมันก็จ่างไปหมดแล้วพฤติกรรมอารมณ์ความนึกคิดกายวาจามันถูกธรรมะจัดสรรให้เป็นระเบียบอย่างฉับพลันทันที อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นครอบครัวใดที่ยุ่งยุ่งเนี่ยเห็นมาจาจนเบื่อแล้ว เมื่อคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมนำตัวเองเข้าไปสู่อย่างเป็นหลักของการคลี่เชือกยุงๆแล้วให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดพันจุดหมุนครอกครัวชักเริ่มเข้าที่เข้าทางต่อมาเอาลูกไปปฏิบัติเอาแม่สามีไปปฏิบัติ เอาสารเอาสามีไปปฏิบัติทั้งบ้านพูดกันรู้เรื่องหมดรู้เรื่องโดยไม่ต้องพูดอะไรอะไรก็พูดกันรู้เรื่องหมดเลยอัศจรรย์มากนี่เป็นคำที่เขาเหล่านี้พูดกันมาอย่างนี้มันไม่ยุง่งแล้วเวลามองไปถึงอีกครอบครัวหนึ่ง แลลึกไปถึงอดีตมองไปถึงอีกครอบครัวนหนึ่งที่มันเป็นอย่างที่ตัวเองเคยเป็นก็รู้เลยว่าแม้เขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาไม่เข้าใจและจะไปพูดให้เขาเข้าใจง่ายหรือยากยากเพราะการที่จะคลี่ความยุ่งนี่ต้องคลี่โดยการอย่างรู้เองเห็นเองและมันจะอัตโนมัติเป็นระเบียบเองก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการนะนะสัตว์ทั้งหลายที่จะหายยุ่งได้โดยทั่วไปทั้งหมด ไม่ได้ทําได้เฉพาะบางกลุ่มบางคนที่คิดจะทําและสามารถทําได้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยในวัดเนี่ยพระอยู่ทั้งเป็นพันวุ่นวายไหมไม่วุ่นวายไม่ยุ่งเมื่อคืนก็มีพระสูงสุนึ่งพระอยู่ตั้งเยอะแล้วก็พวกชาวบ้านชาวอีฉานั่งคะ นำของเพื่อจะมาถวายพระแซดมาเลยเจ้าครับพระพุทธเจ้าถามพระนาคีตาว่านั่นเสียงใครหนอความจริงท่านรู้นะท่านก็นถามเพื่อจะได้สอนท่านั่นเสียงของใครหนอทําไมเออะอะมากเทิ่งอย่างกระชาวประมงแย่งปลากันตรนาคีตาก็กราบทูลว่าเป็นเสียงของชาวบ้านนําของมาเพื่อถวายพระพุทธเจ้าและพระสงค์ในวัด พระทั้งเยอะแยงเงียบโยมไม่กี่คนนะครับเสียงดังกลบพระหมดเลยท่านก็พระนากิตาขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์รับของของชาวบ้านเหล่านั้นเถิดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยชี้ให้ดูเนี่ยสังคมยุ่งอย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งสะท้อนว่าขนาดจะเข้าไปในวัดอย่างพาเรื่องยุ่งยากเยาวเจ้าเข้าไป ในวัดด้วยแล้วก็บังเอิญสมัยก่อนเป็นพ้าหลานเลยไม่ยุ่งตามทํำมาอย่างงี้แล้วก็เป็นอย่างวัดไม่ใช่พ้าหลานก็ยุ่งกันไปทางวัดได้เหมือนกันทีนี้ไอ้ความยุ่งอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมในลักษณะที่ยุ่งเหยิงอยู่ในสังสารวัตรแก้ปรมทําเป็นความระเบียบเรียบร้อยไม่ได้มันก็ไปนิพพานไม่ได้ถอนตนจากสังสารวัตรไม่ได้นะฮะผมผมอธิบายตัวนี้ก่อนคือ คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยไปสวรรค์ได้ไปทางสูงได้ต้องมีลักษณะเป็นระเบียบระเบียบส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากระเบียบปฏิบัติลำเบียบในเชิงบังคับอย่างศีลอย่างอะไรต่ออะไรนะี่นะที่เป็นระเบียบแล้วเราพยายามฝืนใจให้อยู่ในระเบียบฝืนใจทาฝืนใจรักษาระเบียบความถูกต้องชีวิตเราไปในทางสูงได้ ระเบียบที่เกิดจากศีลในขั้นเบื้องต้นเนี่ยออกมาในารูปบังคับแต่ระเบียบอันหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับก็คือระเบียบที่เกิดจากพลังปฏิบัติมันเป็นอัตโนมัติเลยเด็กในอายุสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบเนี่ยเอาก่อนจะมารับการปฏิบัติทางจิตจะเป็นยังไงมาก็แล้วแต่ไม่ต้องไปจําจียามชัย พอเมื่อวานผมไปเห็นนะเออไอ้วันแรกอย่างแค่วันที่สนะี่เนี่ยโอ้กลายเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าปลาปลื้มแทนหัวอกพ่อแม่ถ้าเด็กตัวเล็กๆไปนั่งกรรมฐานหน้าตาอิ่มเอิบนะกราบพระกราบเจ้าพูดคุยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่โอ้น่าปลื้มใจแทนพ่อแม่ ว่าอะไรไปทำใ ห, ให้ให้ความน่ารักน่าเอ็นดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดขึ้นกับเด็กตัวเล็กๆได้ถึงไม่แปลกว่านางวิสาขาอายุเจ็ดขวบจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษได้นี่คนจะไปนิพานได้เนี่ยฮะมันต้องไม่ยุ่งเนี้นไม่ยุ่งนอกไม่ยุ่งไหน มันไม่ใช่ในเชิงจริยธรรมที่แสดงออกเท่า น, นั้นแม้แต่ความคิดยานุทศนะมองอะไรดาอะไรเนี่ยเอาคนถึงใครก็จะชั่วช้าสาเรเลวยังไงมองแล้วมันเห็นช่องเห็นทางเห็นเหตุเห็นปัจจัยเขายุ่งเราไม่ยุ่งด้วยเขาเจียวจ้าเราไม่เจียวจ้าด้วยเขาร้อนเราไม่ร้อนด้วยมองแล้วมันออกไปเป็นฉากๆไอ้ความขัดข้องขุ่นเคืองในใจความเดือดร้อนไปยุ่งเหยิงกับเขามันไม่มี เลยกลายเป็นพวกคนเป็นอย่างนี้แล้วเป็นพวกเป็นหวีสร้างความยุ่งให้กับคนอื่นสังคมถ้าไปยุ่งกับเขาด้วยก็ไปเพิ่มความยุ่งให้กับเนี่ยคือนี่คือเรื่องของทางญาณมองอะไรแล้วมันออกไปเป็นระเบียบเรียบร้อยหมดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนีท่านว่าไปถึงขั้นถอนตนออกจากของสรวรรค์อาจจะสูงไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือระเบียบชีวิต ความสำเร็จในชีวิตการดํารงตนครองตนอยู่ในสังคมที่เห็นเห็นเนี่ยมันเป็นของมีความชัดเจนในนี้ท่านบอกว่าเพราะยุ่งเนี่ยออกไปนอกสังสารวัตรไม่ได้แต่ท่านจะตรัสว่าอบายทุกขติวินิบาศสังเกตว่าท่านใส่คำว่าสงสารลงม้างหลังปกติเราจะได้ยินว่าอบายทุกขติวินิบาศนารก เป็นไวโพสที่พูดถึงอบายภูมิคือความจริงเนี่ยการเยือนไหวใจเกิดอยู่ในสุขติทุกติเนี่ยมันมีนมันหนีไม่พน้นทุกข์ไม่พ้นปัญหาท่างนั้นในทางลึกแต่เวลาท่านจะพูดให้เกิดความรู้สึกสะดุ้งสะเทือนเนี่ยท่านจะอ้างถึงแต่เฉพาะอบายภูมิตราดว่าอบายคือที่ที่ไม่มีความสบายทุกขติคือที่ไปอันชั่ว และวินิบาตคือที่ที่เป็นที่ตกต่ําชีวิตตกต่ําทุกสิ่งทุกอย่างตกต่ําหมดนรกคือที่ที่หาความเจริญไม่ได้ในนั้นก็เจริญไม่ได้ไปทําความเจริญในนั้นก็เจริญไม่ได้ปรัดเป็นไวยพจน์ของทุ ก, กติคือนรกเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานหมดเลยที่พูดแล้วคนลังเกียจเห็นว่าเป็นภัย ที่เห็นได้ทันทีสำหรับทุกคนแต่ในนี้ท่านใส่ท้ายว่า ส, สงสารหรือสังสารก็คือตรัสถึงอบายาภูมิด้วยอบายทุกติวินิบาตและตรัสถึงพบทั้งปวงด้วยคำว่าสงสารอารคือวัตสงสารที่เราเวียนไหวแต่เกิดอันนี้ก็พูดกับพระอานนท์ ก็ต้องก็เข้าใจกันได้ทันทีทีนี้ก็ว่าต่อไปอีกหน่อยอีกสักสิบนาทีนะดูก่อนอานนท์เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตัณหายอมเจริญนี่เป็นข้อความที่ได้พูดกันมาสามหดแล้วแล้วด้วยเนื้อความตรงนี้ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติและชรามรณะโสกับริเทวะเกิดขึ้นอันนี้เราไม่อธิบายอีกก็เป็นการกล่าวเมื่อพูดถึงปฏิจจาว่ามีความสําคัญแล้วก็ดึงเข้าสู่เรื่องในทันทีว่าเราพอใจในอารมณ์ที่ยั่วยวนเนี่ยครับอุปาทานก็เกิด ตัณหาก็าตัณหาก็เจริญนะแล้วยังอื่นก็ตามหลังมาตามลำดับแต่ก็ส่งเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับในสูตรก่อนและในการดับก็ต้องพิจารณาเห็นโทษในอารมณ์ที่เป็นเครื่องยั่วกิ่งเหตุคื อ, อตัณหาเนี่ยถ้าเราพิจารณาเห็นโทษแล้วตัณหามันก็ไม่ไม่ยินดีด้วยตัณหาก็ดับอย่างอื่นก็ดับตาม เป็นการลากตนาโดยการพิจารณาเห็นโทษของสิ่งที่น่าชวนให้ลุ่มหลงนะครับก็เปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้เหมือนกันในสูตรก่อนอ น, นะครับแล้วก็จากนั้นก็ได้ทรงแสดงปฏิจจในสายดับไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความดับทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อความในสูตรนี้เราพูดเฉพาะในส่วนแต่งต่าง ส่วนที่เหลือนั่นก็เป็นอันไม่ได้พูดถึงก็สรุปว่าถ้าสูตรนี้ทรงสแสดงโดยในยะของการปฏิบัติคนไม่ปฏิบัติแล้วอย่างไรอย่างไรก็ลงสู่ความลึกซึ้งของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่ได้เท่าที่ควรในความรู้สึกนะฮะถ้าคนปฏิบัติแล้วก็จะฟังด้วยความซาบซึงและเข้าใจแจ้งชัด ถึงจะยังไม่ได้เป็นสสดาบันเหมือนกับท่านพระ อ, อนอนท์ก็ตามเถอะก็เป็นนั้นว่าเราจบประสูติสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้คราวหน้าก็จะพบกันตามปกติผมจะบรรยายไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมแล้วก็กำลังเดือนพยษภา มีอยู่สองอาทิตย์นี้ยังยังไม่แน่ว่าจะหยุดหรือปาแต่ว่าถ้าหยุดไปก็จะมีอ่ทำรรมาบรรยายอะไรต่างๆที่มาเราต่ฟังมีเรื่องที่อาจจะอะได้ฟังเดือนพฤศจิกา ย, ยน์ในเรื่องหนึ่งที่นี่อาจจะฟังแล้วนึกว่าไม่น่าสนใจก็ได้คือเรื่องมักกะลีผลผมไม่ได้พูดเองว่งเออแหมชาไปหน่อยข่าวก็เลิกลงไปแล้ว ก็บังเอิญมีคนที่ที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นดรเมื่อเร็วนี้ก็เจอกันแล้วผมก็เคยแนะนำให้ทีวีเขาไปไทยไทยไทยไทยกายให้ไปออกมาทีแล้วผมไม่ได้ดูก็มีมีข้อมูลทงตางศาสนาแล้วมีประสบการณ์จริงอะเรื่องเรื่องมรรีผลเนี่ยก็จะให้มาพูดในเชิงวิชาการ เป็นวิชาการในเรื่องแปลกนะฮะก็จะได้ฟังเป็นความรู้ในระหว่างที่ที่ผมไม่อยู่แต่ไม่ได้พูดเรื่องม ก, กุรีผลทุกลั้งนะก็อาจจะพูดสักสองชั่วโมงสงชั่วโมงครึ่งลวดอะไรให้ฟังแล้วก็จะมีหลักฐานในต่างๆมาประกอบเล่าให้ฟังก็เป็นความรู้ที่น่ารู้ครับที่เรื่องมีอยู่ในพุทธศาสนาเราแล้วก็อาจจะฟังเรื่องเกี่ยวกับ รำ บ, บรมสารีิกษากเนี่เป็นชุดเรื่องอัศจรรย์คุณหญิงสุรีพันธ์อ่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัดมีใครเคยไปบ้านท่านนี่ก็เป็นเป็นคู่ทรงอาวุธตังอัศจรรย์นะนะข้าวหักหักข้าวดำดำเดิมเดิมไปตั้งเทวดามามาต่อเม็ดข้าวให้กลายเป็นข้าวเต็มเม็ดฝุกปลัง ของโสโครกหายหมดอัศจรรย์เนี่ยเป็นเป็นผู้มีวัอภิเนีนหารอันแปลกประหลาดในยุคปัจจุบันที่พอจะยืนยันตำลาดได้สารพัดเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนโกหกแต่ไม่รู้ว่ามาที่นี่จะทำได้แค่ไหนเช่นว่าอยากจะบูชาด้วยดอกจำปีดอกจำปีไม่ได้ไม่ได้ไไดออกดอกอะไรเลยเนี่ยก็โผล่ดอกมาให้ ให้เด็ดไปบูชาและ่ะโกหกเหมือนโกหกนะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างอัศจรรย์ไหมภาชนะมีค่าเป็นทองเป็นอั ญ, ญมณีอะไรก็โผล่ขึ้นมาได้ไม่รู้มาจากไหนฟังแล้วไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยแต่ก็เรื่พวกนี้เราก็หาตัวอย่างอย่างนี้ไม่ได้ก็ ให้ท่านมาพูดให้ฟังแล้วดีไม่ดีก็อาจจะพาไปที่ยวดิบานไปไปชมของจริงแต่ใครสนใจนะก็ไปดูที่บ้านให้ท่านพาไปแต่ว่าก็จะกะว่าจะให้ท่านมาพูดจะให้นานๆหน่อยอะจะได้ฟังกันให้หมดไส้หมดพุงไปเลยเกี่ยวกับเรื่องไปลึกไ ป, ล, กปลึกอย่างนี้นะฮะก็มันเป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งในคัมภีร์ว่ามานาน แต่คนที่จะมีอะไรแปลกประหลาดอาจารย์อย่างนี้ก็นานๆนเจอทีถ้ามีใครห่อให้ดนะูช่วยแนะนำหน่อยนะจะยกชั่วโมงให้ให้มาห่อให้ดูพอมาห่อเสร็จแล้วอายุสั้นเลยครับกลับบ้านไม่ได้โดนทึงคนนั้นทึงทีก็ น, นี้ทึงที มันมีนาะมีแต่ท้างคงไ ม, ม, ม่มาหอให้ดูอ่ะก็จะได้เลิกกังวลถึงคนที่หนีงานไปแล้วก็จะได้ไม่หนีไปไหนกันด้วยนะก็มาฟังเป็นความรู้เรื่องพวกนี้เราศึกษาอย่างเป็นผมเนี่ยสนใจศาสนาพุทธทุกแง่แล้วสนใจทุกอย่างอย่างเป็นวิชาการยืนพื้นไบได้ทุกเรื่องแล้วก็ บางอย่างที่เป็นประโยชน์ให้เกิดศรัทธาเกิดกรรมสกตาปัญญาอะไรอะไรก็เสริมคุณธรรมจริยธรรมของเราได้วันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลานะครับกิจการปัญญาวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนที่จะจบออกไปเนี่ยครับให้ท่านทั้งหลายในกรุณา